การทรมวัช้าเป็นการทบทวนววพุทธบหโดยเฉพาะในเรื่องของสติปัฏฐานสเป็นหลักปฏิบัติธรรมเมื่อเขาให้ทำอะไรถ้าโดยพูดถึงหลักปฏิบัติในมรรคแปดเนี่ยมันก็เข้าใจยากประตูมสมุทัยนี้รธรงมากพูดถึงเรื่องของการ หนทางหรือวิธีการดับทุกข์เนี่ยเวลาเราไปศึกษาในมรรคแปดก็ยังเข้าใจลําบากอยู่เอสมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรสมาสังกัปปวาจากรรมันตะที่วายมัสสติสวะทีมันเหมือนพวกเราเข้าข้างตัวเองว่าเราก็มีสมาทิฏฐิแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไร แต่ทำไมเราดับทุกข์ไม่ได้ทำไมทุกข์มันไม่หายไม่จางไม่คลายหรือพวกเหลือบางคนนาะจจะเข้าใจว่าตัวเองก็ไม่ได้ทุกข์เลยซ้ำไปคือเข้าข้างตัวเองเพราะเลยบางทีมันพุทธพจน์นี่บางทีเราก็เข้าใจลำบากแต่ว่าถ้าหากว่าได้ศึกษาในเรื่องของสติปัฏฐานเนี่ยเราก็จะเข้าใจ อะไรที่ชัดเจนขึ้นมายังในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องการดูกายการเห็นกายในกายซึ่งหลายๆคนยังมีความเข้าใจผิดพลาดการเคลื่อนจากความเป็นจริงอยู่ไม่ใช่น้อ ย, ยความเข้าใจไม่ตรงไม่ถูกก็เลยปฏิบัติกระลำบาก เรื่องนี้พระพุทธเจ้ท่านตรัดไปที่กุรุรัตรัดกระพิษสูงงูมากที่จริงท่านอาจจะพูดไม่มากบุญ น, น้อยแต่ว่าในสำนวนทั้งหมดในสติปัฏฐานสูตรเกือบหกสิบหน้าเนี่ยพิจารณาดูแล้วนี่นเหมือนสำนวนใหม่ที่รวบรวมเรื่องของสติว่าได้หมวดต่างๆมาขะหมดได รูปแบบเดียวกันเป็นมหาสติเป็นมหาสติเป็นพระสูตรใหญ่พระสูตรที่เก้าในปัไตรปิฎกเล่มที่สิบพระสูตรที่ใหญ่มากรวบรวมเรื่องของการฝึกสติในรูปแบบต่างๆเมื่อรวมลงในพระสูตรส่วนนี้ในเรื่องของอนนาบานสนติเนี่ยอนนาปรัตติมันก็ไม่มีในสติประฐานสตูตรก็มีนิดเดียว แต่ต่อมาก็ดึงเอาจากที่อื่นมาผนวกเข้าไปให้มันสมบูรณ์เข้าไปอีกหน่อยเพื่อว่าคนไหนได้เรียนรู้ศึกษาท่องบนสาธยาในี่ยจะได้เข้าใจครบทั้งสิบหหมวดการดู ก, กายเวทนาจิตธรรมคือการฝึกสติปัฏฐานสติเป็นความะระลึกรู้ปัฏฐาน ก็คือฐานนี่แหละสติอยู่กับฐานตั้งสติไว้กับฐานทั้งสี่คือกายและลึกรู้อยู่กับกายง่ายๆนะกายคือร่างกายเรานี่แหละหรืออาการกายนี่แหละหรือว่าสติอยู่กับกายฐานที่สองคือเวทนา ฐานที่สามก็คือจิตฐานที่สี่ก็คืออารมณ์จริงๆเราย่อโดยสองส่วนก็ได้คือดูกายดูกายกับดูอาการกายดูจิตกับดูอาการของจิตดูกายเห็นอาการกายอาการกายก็คือตัวเวทนาต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอาการกาย ถ้าเราดูกายดูเวทนาจบเราไม่สงสัยเราปล่อยวางอาการที่ปรากฏเกิดขึ้นได้รู้กายเห็นกายตามที่มันเป็นจริงมันเป็นยังไงเราก็เฉยกับมันกับสิ่งที่มันเป็นจัดการแก้ไขตามเหตุตามปัจจัยไปปล่อยวางไปตามธรรมชาติมันได้เรียกว่าเราเข้าใจอาการกายเข้าใจรูปตามความเป็นจริง ในขณะเดียวกันเวลาถ้าเราผ่านเรื่องของการเห็นกายอันนี้ได้เราก็จะเห็นสามารถดูจิตได้จิตที่มันเฉยก็รู้ในขณะเดียวกันมันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นว่าเราก็สามารถไม่ไหลไปกับความคิดคือไม่ไหลไปกับเวทนาทางจิตได้จิตมันได้คิดราคะโทสะโมหะ คิดให้พอใจไม่พอใจอะไรต่า ง, างเราก็เฉยกับมันเป็นน่ะเฉยกับเวทนาที่ปรากฏทางจิตได้ไม่ว่าจะเป็นเวทนาที่เป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายไม่ดีไม่ดีก็คือความโลภโกรธหลงคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านอะไรพวกเนี้ย เ, เวทนาที่เป็นฝ่ายกุศลที่ประกอบกับจิตในส่วนของวิตกวิจารณ์หรือปิติ หรือความสุขพวเนี้ยที่ปรากฏเกิดขึ้นอุเบกขาเวทนาคือปรากเกิดขึ้นยังไงแล้วก็เฉยกับมันเป็นนะถ้าเฉยกับมันได้แบบนี้นะเห็นมันได้เฉยอะไรเกิดขึ้นก็เฉยเป็นเป็นผู้ดูเฉยเฉยไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นทุกข์ได้แต่เป็นผู้รู้เป็นพุทธะพุทโธเป็นผู้รู้รู้รทุกข์รู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับกาย ดูสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมันเป็นเวทนาก็เป็นศักดิ์แต่ว่าเวทนาจิตก็รู้ว่ามันเป็นจิตความคิดรู้เป็นความคิดอารมณ์เกิดขึ้นก็เห็นว่าเป็นอารมณ์ถ้าเฉยกับมันปุ๊บมันก็จะเป็นธรรมชาติที่เกิดดับเฉยๆเราก็จะถอนตัวตนถอนความยึดติดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งพวงออกมาได้ใจเราก็จะไม่เข้าไปอยู่ในทุกข์อันนี้แต่เราก็ปล่อยวางทุกได้ เดีวยวกันมันหมายในทุก์ในตัวในตในตมันก็ไม่มีตัวทุกตัวตนนี่คือตัวทุกมันก็ไม่เกิดไม่เกิดขึ้นเพราะความหลงคำว่าหลงนี่คือหลงอารมณ์นี่นแหละหลงทุกหลงกายว่าเป็นกายเรากายนี่เป็นกายเรากายสวยกายงามกายดีกายเด่นกายกู เวทนาเกิดขึ้นมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยหน่อยแล้วก็จะตายจะเป็นได้บางทีสนะังเกตดูนะบางคนบอกว่าไปเดินเจักรกลข้างนอกนะอนะไรี้ยมันก็ไม่อยากไปมันก็อยากเดินบนเสือบนอะไรที่มันสะดวกสบายอะไรประมาณนี้คือตัวตนมันมันยากการแก้ไขคนเนี่ยนะมันอยากทําอะไรในะที่สบายคือตัวตนมันติดเวทนานะั่นเอง มันกลัวกลัวร่างกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยอยากทำอะไรก็อยากสบายเป็นเทวดาที่ไม่อยากตกนะสวรรค์ไม่อยากไปเกิดในเมืองมนุษย์ที่จะสามารถได้บาเพ็ญเพียรเป็นพระอริยะนะแต่บางคนก็สอนง่ายบอกง่ายอันคนไหนสอนยากบอกยากมันก็ยากลำบากหน่อยก็เสีเวลา เวลาในการฝึกตัวเองเพื่อจะเกิดปัญญามันนานเพราะตาตัวตนมันปิดมันบังก็คือเราติดเวทนาจริงๆมันก็ไม่ได้มีตัวตนมันเป็นความชอบเฉยเฉยชบในอาการความสะดวกความสบายความไร้จรคือเมื่อไหรที่เราไม่สามารถที่จะเห็นเวทนา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติได้เราหลงยึดติดเราชอบอะไรประมาณนีนะ้เรากลัวทุกข์บางคนรุตตาให้ไปเดินโจกกลมเนี่ยเหตุผลก็คือถูกแดดไม่ได้นะมันมันแก้ทุกข์ไม่ได้นะอย่างคนที่กลับบ้านเนี่ยร ต, ตาบอกให้ไปเดินข้างนอกแล้วบอกเขาถูกแดดไม่ได้ ตัวแดดไม่ได้เลยกลับบ้านซะนะคือจะรู้ธรรมะอะไรที่มันยากกว่า น, นั้นคงคลําบากแนหะนะชีวิตนี้มันอ่อนเกินไปจริงๆ ม, มันไม่ใช่ร่างกายถูกแดดไม่ได้หรอกแต่จิตมันอ่อนแอเกินไปอนะที่จะรับผัดสะเรื่องของเวทนานะเรื่องของทุกข์เรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากายนี้เป็นกายเรา เป็นตัวเราเวทนานี้เป็นของเราเราสลัดเราปล่อยเราวางไม่ได้ปฏิบัติทำหรือปฏิบัติอะไรเราจะมาละความเป็นตัวเป็นตนเป็นกายตัวเห็นกายว่าเป็นกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นสักแต่ว่าเป็นท่าตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนี่ยกว่าจะเกิดปัญญานั่งเดียาร ถ้าเราไม่ยอมฝึกยอมหัดอะไรที่มันยากๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์ในชีวิตอันนี้ถ้าเราจะมาหลงรูปหลงเวทนาหลงความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายหลงความเจ็บความปวดความเมื่อยความสุขความทุกข์ว่าเป็นตัวกูของกูกูอยากได้แบบนั้นแบบนี้อะไรอยู่ประมาณเนี่ยเราจะาปัญญามาจากไหน มันมีแต่ตัณหานะมาปฏิบัติทำแทนที่จะเกิดปัญญาเนี่ยเรามีแต่ตัวตัณหามาปิดมาบังไ้หมุดเลยนะเราอยากไปฝึกไปหัดอยากให้คนฝึกคนหัดอยาให้เขาบอกเขาสอนแนะนำแต่เราไม่มีไม่มีความรู้สึกว่าจิตเรามันอ่อนพอที่จะฝึกได้นะแต่เราก็มีรูปลักษมีตัวมีตนเราเสร็จสัก ระยะเวลาของการฝึกชีวิตเนี่ยท่านทั้งหลายได้มาเท่าไหร่ยังไม่แต่สี่วันเลยห้าวันเจ็ดวันสี่วันหรือไมแต่ชีวิตนี้ถ้ามีความรู้สึกนึกคิดหรือการตั้งจิตเอาไว้่าเป็นตัวเป็นตนของตัวเองอย่างนี้มันฝึกยากไม่รู้มันจะพอหรือเปล่าชาตินี้หรือเกิดมาอีกไม่รู้กี่ชาติเขาไม่รู้จะพอหรือเปล่าเวลาที่ได้ เขาเห็นกา ย, นยในตำราเขายังบอกว่าเมื่อไหร่คุณนำความพอใจและความไม่พอใจในกายนีย้ออกได้นั่นแหละก็เรียกว่าเห็นกายในกายนำความพอใจและความไม่พอใจนะพอใจในกายไหมพอใจในอาการที่เกิดขึ้นกับกายไหมยังเวทนาเนี่ยคือถ้ารู้สึกอยู่กับกายเราก็จะเห็นเวทนา ที่เรื่งเรานั่งเฉยนั่งไปนานๆเนี่ยนั่งอยู่ยนี้ทนได้ระลึกรู้ตรงๆธรรมชาติเราพอทําได้ไหมทีนี้ไปสักหน่อยมันจะเจ็บจะปวดขึ้นมาเนียแล้วจิตเรานี่มีอุปทานกับความเจ็บความปวดนี้ไหมคิดว่าเราเจ็บไหมเวลาเราปวดไหมเราถูกบังคับไหมหรือดาดขัดเครื่องไหมเบื่อไหม ทุกเวทนามากไหมพอใจไหมไม่พอใจไหมนั่งไปนั่งมาเวทนามนเกิดขึ้นกับกายนี่มันง่วงอยเนี้ยนะคิดไม่าป็นเราง่วงไม่ได้เราง่วงแล้วเราเป็นกับมันไหมเราเข้าไปเป็นตัวง่วงไหมหรือเราเป็นผู้ดูความง่วงนะถ้าเราเข้าไปอยู่ในอาการเข้าอยู่ในสังสารวัตของความง่วงความง่วงก็จะปันเรา ไเวไปตามกระแสก็คื อ, คอทุกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นง่วงมากขึ้นเหงามากขึ้นเบื่อมากขึ้นอยากกลับอยากนอนอยากเบื่ออยากไหนามากขึ้นในสุดเราก็อึอดัดแสดงภาพลักษณ์แห่งความเป็นตัวตนออกมากูไม่เอากูอยากชอบแบบนั้นแบบนี้นี้ตัวตนมันจะโตขึ้นโตขึ้นแต่เริ่มจากอะไรเริ่มจากไม่มีสติเห็นตามความเป็นจริง ถ้าเห็นแต่ความเป็นจริงมันมันเกิดขึ้นพร้อมกับการดับไปของทุกทั้งหลายมันสักแต่ว่าเป็นอาการและจิตแห่งความพอใจและความไม่พอใจในในทุกขเวทนาพวกนี้มันก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีทุกขเวทนาไม่มีความพอใจไม่พอใจตัณหามันไม่ไปเสริมแรงนัันทุกทั้งหลายก็ดับไป คนทั้งหลายที่เขาสามารถทําความเพลี่ยนได้ทนได้บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรอะแต่อย่างน้อยเขาก็คือความอดความทนนะ่ะคือความเข้าใจแบบหนึ่ง อ, อดได้ทนได้ทนที่จะต่อสู้กับความทุกข์ได้ทนที่จะต่อสู้กับเวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นได้มันต้องเห็นว่ามันไม่เป็นตัวตนระดับหนึ่งแหละมันถึง อ, อยู่ได้ สู้ได้ตัวกูของกูเขาไปอยู่กับสติสติเราต้องสามารถพัฒนาได้และสู้ได้อารมณ์พวกนี้มันเกิดได้มันก็ดับได้ถ้ามองว่ามันเกิดได้ดับได้เอาชนะได้นี่แสดงว่าเริ่มเริ่มเห็นว่ามันเป็นตัวตนนี้นอยงน้อยล ง, ยลงแล้วความขยันขันแข็งก็จะตามมาทั้นวินั ย, ยโลเกย์พิชาตวมนัดสร้างความพอใจ นำมาความพอใจและความไม่พอใจอภิชาก็คือโภมรัตคือความไม่พอใจอภิชาคือความพอใจความพอใจอย่างยิ่งอภิชาวิสมโลภะมันยึดติดในกายนี้อย่างยิ่งเนี่ยมันถอยออกไงเอาดูมันเวทนามันเจ็บมัน ป, ปวดก็ดูมันเป็นเอาขยับไปตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างนั่งทําบ้างอะไรบ้าง เห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงสัตว์แต่ว่าเครื่องมือที่ยืมมาเพื่อแสวงหาสัจธรรมเท่านั้นเองร่างกายนี้เสื่อมตลอดเวลาเรายืมมายืมเข้ามาไม่รู้ว่าจะอายุเท่าไหร่ไม่รู้เราจะได้กี่วันกี่เวลากี่ชั่วโมงกี่ปีไม่ต้องพูดไปถึงภพชาติแล้วเราก็ต้องรีบใช้รีบใช้เหมือนได้เรือลาหนึ่งมาจะพายข้ามฝั่ง เราจะพายคํำได้ไหมเดี๋ยวเขาก็เอาคืนไปแล้วนี่คือมันจะแตกสลายวันใดวันหนึ่งอยู่ดีอ่ะดังนั้นเราจึงจาเป็นที่ต้องฝึกสติอยู่กับฐานกายสติเราเนี่ยเอาไว้ดูตัวเองถ้าถ้ามันดูคนอื่นแล้วแสดงว่ามันออกไปนอกตัวและดูตัวเองดูกายเนี่ยดูกายหเห็นเห็นอยู่ทั้ว่า มันเป็นทุกจริงไหมเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยมันเป็นสภาพทาที่ไม่ทนในสภาพเดิมเกิดดับเป็นอ น, นี้จังเป็นอนัตตาจริงไหมหรือว่ามันยังเป็นตัวกูของกูอยู่ไอความกโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันเกิดจากความไม่รู้ไม่เห็นกายนี่ว่ามัน ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเฉยๆนะแล้วมันเป็นปรากฏการณ์ที่ออกมาปกป้องกายอันนี้โกรธเพื่ออะไรโกรธเพื่อปกป้องกายนี่โลกเพื่ออะไรก็เพื่อปกป้องกายนี้เหมือนกันนะหลงก็คือการฝังตัวเข้าไปในกายนี้เหมือนเดิมคือมันไม่คลายคืนนะบอกว่ามาปฏิบัติธรรมเพื่อคลายกิเลส เราปฏิบัติเพื่อคลายกิเลสแต่จิตมันไม่ค่อยคลายมันมีต่ยึดนับตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งตัวกิริยามารยาทพวกนี้เป็นไปเพื่อการแสดงออกเป็นลักษณะอัดตาตัวตนต้องนุ่งแบบนั้นต้องห่มแบบนีน้ต้องเอาแบบนู้นแบบนี้นะในการยึดติดเป็นเป็นอภิชา ถ้าไม่ได้แบบนั้นก็เป็นผมมันทัดจิตมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ละคนสังเกตดูดิดัง้ถ้าคนไหนรู้รูปมันก็จะไม่เมาในรูปนะรู้กายก็จะไม่เมาในกายรวมทั้งอาการที่เกิดขึ้นกับรูปกับกายนี้ด้วยนั้นทำไมจึงต้องให้เห็นให้มีสติโยกกายเพื่อให ที่เกิดความเหนื่อยหน่ายคลายจางในภาวะที่เรายึดติดในรปูรปรูปเนี่ยมันมีกามเกิดด้วยนะเราเวทนาที่เกิดจากกามเกิดจากความใคราทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นตามความเป็นจริงไหมว่ามันเป็นสภาวะที่เกิดจากอวิชชาคือสภาวะจิตที่ยังไม่รู้แจ้งเกิดแล้วมันก็ดับ เป็นเหมือนพยับแกรเป็นเหมือนฟองน้ำเป็นเหมือนความฝันอย่างท่นว่าเป็นเหมือนหมาแทะน้ำลายแทะกระดูบ เ, เหมือนความฝันนะคิดนิดเดียวพอรู้ทันก็หายไปเกิดขึ้นอยู่ชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ดับเกิดชั่วขณะหนึ่งก็ดับแต่คนพ่านสันดานอยากว่าจะปรุงแต่งยืดยาวไป ทำให้ความคิดที่มันอยู่นานพอมันอยู่นานมันก็เหมือนกระแสกระแสของสารสลาวัดเราก็ได้เข้าไปเวียนว่ายนั่นะถ้าตัวตนเรามีนะั้เราหลงกรนะแสนั้นเราจะเข้าไปเวียนว่ายในความคิดเราเองคิดว่าเรามีคิดว่าเราเป็นพอแต่พอเรามีอวิชามีตัณหาอวิชาคือไม่รู้ มันไม่รู้แจ้เห็นจริงสักทีอ่ะก็เลยมีความอยากเขาจึงว่าอยากให้เห็นไงอยากให้เห็นอยากให้เห็นเห็นกายว่าเป็นกายให้เกิดสัมมาทิฏฐิในกายนี้สัมมาทิฏฐิคือเห็นตรงๆเลยเห็นกายว่าเป็นกายเห็นเวทนาเป็นเวทนาเห็นจิตสักว่าจิตอารมณ์ก็เป็นสักแต่ว่าเป็นอารมณ์ทุกอย่างอยู่ภายใต้ของไตรลักษณ์คือนิจังน่ะเนี ถ้าเราไปจมอยู่ในมันก็เป็นทุกข์แหละชีวิตเนี่ยแต่เราไม่ทุกข์เพราะความโง่ของเราแต่ทุกข์มันเป็นธรรมชาติมันอย่างกายเนี่ยเป็นทุกข์โดยธรรมชาติมันเกิดมันก็เสื่อมธรรมชาติธรรมชาติมันก็เสื่อมแบบนี้แหละพระบุทธเจ้าก็ตายเป็นใครก็ตายเป็นเสื่อมเป็นแต่เราจะเอาจิตเข้าไปฝังอยู่ในนั้นไหมถ้าเราฝังอยู่ในอารมณ์เราก็ออกไปได้ อย่างความง่วงเนี่ยเป็นอาการกายแบบหนึ่งนะอาการจิตแบบหนึ่งเราตื่นมาแล้วก็ฝังจมอยู่กับความง่วงเลยแหลนะก็ออกไม่เป็นนะติดคนไหนเย็นแก่หลับเก่นอนเนี่ยตื่นสายอาสวะนี่จะดับยากคือสิ่งที่หมักหมมอยู่ในใจเนี่ยความเกลียดคร้านตนี้ ความกินมากความเป็นคนมากโกรธความเป็นคนชอบมากลบหลู่คุณของคนอื่นเนี่ยชอบยกตนข่มท่านนี่ชิดแบบนี้เนี่ดับอาสวะยากดับทุกยากมันเกิดจากอะไรเนะี่ยเกิดการไม่เห็นกายเนี่ยท่านเองนะ เราดีเราเด่นเราเก่งเราอะไรต่างๆความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นขึ้นมานะท่านใครจะมาดูถูกดูมิ่นเดียดย้ำไม่ได้เลยตัวตนมันวูบวาบขึ้นมาแล้วดีแล้วเราเองก็ไม่มีภาวะเห่งการที่จะไปดับทุกที่มันจะวูบวาบขึ้นมานี้ได้มันเกิดอารมณ์โทสะเกิดโลภะเกิดอะไรขึ้นมาเราไม่เห็นมันดับไม่เป็น ความพยายามความเพี่ยนมันน้อยแต่ถ้าคนใส่ใจนี่โทสะเอามีแต่ก็ดับได้โทสะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บัญญาบเราไม่ให้มันเกิดเป็นเรื่องอื่นดีกว่านะเรื่องราคะเรื่องโมหะไปนูน่นหรือของตัณหาแก้ไข อ, อนุอนนะั่นซึ่งมันละเอียดกว่าอันนี้เนี่ยเขาจะลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆจิตคน ที่เวลาฝึกสติเนี่ยกว่าที่จะเห็นกายว่าเป็นกายเนี่ยมันต้องเกิดปัญญาก่อนนะไม่ใช่แค่อะไ ล, ลึกรู้เฉยๆแล้วมันจะอยู่ได้แล้วลึกรู้แล้วมันจะปล่อยวางได้มันไม่ปล่อยวางอันเนี่ยแล้วลึกรู้ได้อยู่แต่ว่ามันมันยังไม่เกิดเป็นปัญญายาน่ะนะนะมันได้แต่สันชาติยาน คือความรู้ที่เกิดตามธรรมชาติที่ได้มาพร้อมกับเราเกิดมาเราเกิดมาเราสําคัญมั่นหมายว่า น, นี้คือกูนะเนี่ยตัวกูร่างกายกูกูเจ็บกูปวดกูเมื่อยกูอะไรอย่างเีนี่เป็นสัญชตาตญาณนะแต่แบบปัญญาเราไม่มีเราไม่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงปัญญานี่ยเขานักเรื่องตั้งแต่ปัญญาที่สามารถทําลายหรือสัม จำได้กิเลสได้ปัญญาที่ทาเกิดการไถ่ถอนนะไอตัวโทสะลดลงตัวโลภะลดลงตัวโมหะซึ่งเป็นไฟสามกองที่เผาชีวิตจิตใจเราอยู่เนี่ยถ้าเราเกิดปัญญาขึ้นมาดับอันนี้ให้หมอดมวยไปได้นั่นแหละคือเป็นปัญญาแต่ถ้าอย่างอื่นน่ะไม่ใช่ปัญญารือเราจะเรียกกันให้เพราะหน่อยก็คือเป็นเรื่องของ โลกีความรู้แบบโลกีโลกียะปัญญาดังนั้นวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยเรามีปัญญากี่อย่างปัญญากี่ครั้งกี่คนปัญญาแห่งการเล่ลึกรู้มีไหมปัญญาแห่งความเห็นความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันมีไหมมันละเอียดไหมเราดูออกไหมแต่ถ้าเราไม่เห็น เราก็ไม่รู้ว่าจะไปดับอะไรอะไรเกิดอะไรดับเนี่ยเราไม่รู้เลยอะไรฟุ้งซ่านอะไรงดหยิ ด, ดอุดตันขาดเครื่องปรุงแต่งเลยแต่เนี่ยดูไม่ออกในทางแทนที่เราจะเห็นความเป็นตัวตนนี้มันลดลงลดลงมันก็ไม่ลดลงสักทีเราได้แต่ชื่อว่านักปฏิบัติธรรมนะเป็นนักปฏิบัติมือเป็นนักปฏิบัติาอาชีพ ไปหากินข้าววัดนั้นวัดโน้นสำนักนั้นสำนักนี้ไปทุกแห่งทุกที่นะไปหากินข้าวฟรีแต่ทุกมันไม่ลดลงมันไม่ดับไม่เย็ดลงให้สักทีงั้นทำไงเราที่จะเห็นมันอะ่ะก็ดูอย่างที่ท่านบอกนะยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนยืนเดินนั่งนอนเนี่ย มีสติและลึกรู้อยู่คนทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฟังดีได้ในตำราเขาบอกว่าถ้ายืนเดินทั้งนอนและลึกรู้อยู่มีสติและลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเจ็ดวันเป็นพระอรหันนะที่สวดเมื่อกี้เนะี่ยหรือไม่ก็เป็นพระอนาคามีคำว่าอรหันคือดับทุกได้อนาคามีก็คือมันอาจจะมีเศษที่เหลืออยู่นิดนึงในใจ อุปาทิเสสอนาคามิตายังมีอุปทานอยู่บ้างนิดหน่อยในจิตเราเนี่ยอาสวะยังไม่หมดทุกดับแต่อาสวะยังไม่หมดดูดิแค่มีสติอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนถ้าทำได้สักเจ็ดวันเนี่ยก็ดับทุกได้สิ้นเชิงแล้ว เรถามตัวเองนี่ที่ผ่านมาชีวิตเนี่ยมันมีสติบ้างไหมบางคนโอ้ยมีสติแบบโน้นแบบนี้ก็คุยไปงั้นแหละแต่ความเป็นจริงทุกมันไม่ดับมันไม่ลดลงเลยถ้าฝึกได้จริงๆเนี่ยมันเป็นอย่างที่ว่านะเป็นพระละหันแล้วดับทุกได้แล้วจิตที่มันไม่หันไปหาทุกแล้วนมันหยุดหันแล้วเป็นอรหันแล้วแต่ที่นี้มันวันวันหนึ่งเนี่ยว มันหันเขาไปปรุงแต่งไม่รู้กี่รอบนะมันหันไปหาทุกขี่ครั้งนะหันไปหาความพอใจไม่พอใจหันไปหาความโกรธความโลภความหลงที่ปรากฏขึ้นในจิตกี่ครั้งครนะมันเป็นซะอย่างนั้นจิตเราเนี่ยเพราะละไเพราะมันยังเมาในกายนี้อยู่ติดความสะดวกสบายอะไรนั่ยิ่งเด็กปัจจุบันนียิ่งยากพ่อแม่โง่นะ ก็เลี้ยงลูกแบบสบายๆมันก็เลยไม่เกิดปัญญาถ้าจะให้มันตื่นดึกลูกเช้าแล้วก็กลัวกลัวมันห่วงมันเงามันเป็นในโ น, น้นางนี้เลยความอดทนคุณทำตั้งหลายตั้งปวงไม่ได้ปรากฏขึ้นกับจิตก็เลยหนักต้องเอาเงินเลี้ยงเงินจ้างหาจ้างมันพอใจมันก็พอใจไม่พอใจมันก็ น, น, นี้คนที่เป็นทุกข์คือใครคือเราเพราะจิตเราฝึก ในการแยกรูปแยกพ่อแยกแม่ออกจา ก, กันไม่เป็นไงที่สำคัญที่สุดที่ถูกต้องที่สุดคือเราแยกรูปแยกนามออกจากจิตตัวเองยังไม่เป็นพอแยกรูปแยกนามออกจากจิตไม่เป็นเนี่ยมันจะห่วงไปหมดเลยรูปของคนอื่นนามของคนอื่นก็เหมือนรูปของเราเหมือนนามของเราอะรูปกูตัวกูลูกของกูนะผัวของกูเมียของกู ทรัพย์สมบัติตัวกูของกูอะไรแตกสลายหายไปไม่เป็นในอย่างที่เราคิดเราทําใจไม่ได้นั้นพฤติกรรมชีวิตเราก็ทําเพื่ออะไรเพื่อเลี้ยงพวกนี้ให้หมดเลยเลี้ยงความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูไม่ว่าจะอะไรที่เกี่ยวข้องกับกูนะท่านังปาเทภริยาหัดเทนพุตังคาเวติดไปหมดนะลูกเหมือนเชือกผูกคอผัอวเมียเหมือนปอปลูกศอกผูกมือทรัพย์ ส, บสมบัติเหมือน เชือกมัดเท้าเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้มันผูกพันธุ์ไปหมดเนะี่ะทีนี้จะไปแก้ไขอะไรได้เพราะเราก็แยกรูปแยกนามเราก็ไม่เป็นพอเราทําอะไรแก้ไขอะไรใครเราเป็นทุกข์ไปหมดคนระับคือจะแก้ไขใครเนะี่ยมันต้องแก้ไขที่ความรู้สึกเราก่อนนะถ้ายัางเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนอะไรอยู่นี่แบบยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเราแก้ไขไม่ได้ พอเราทำอะไรเราเป็นทุกข์กับคนนั้นแต่ดูคนเนี้ยเวลามันหน้า ง, งอมาเรารู้สึกเสียใจเราทํำคนนี้รู้สึกเราดีใจถ้าเป็นอย่างเนี้ยแก้ไม่ได้เหมือนเราแก้ปัญหาบ้านเมืองเราอยู่เดี๋ยวเนี้ยจะแก้ตัวนั้นก็กลัวกลุ่มนั้นจะแก้ตัวนี้กลัวกลุ่มนี้ไม่มีกลุ่มไม่มีพรรคมีพวกถึงจะแก้เป็นไม่มีความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มเป็นพรรคเป็นพวกเป็ น, เ ป, นเป็นก้อนเป็นรูปนี้เงินแก้ได้ มันยากชีวิตะเ น, นี่ยเราลองทำตามที่ผู้เที่ยวท่านสอนดีแล้วจะแก้ได้แล้วจะรู้สึกเห็นว่าไอ้อัตตาตัวตนเนี่ยมันเหนื่อยหน่ายคลายจางสลายหายไปได้ด้วยกันกำหนดรู้อย่างที่ท่านว่าจริงๆน่ถ้ารู้รู้จกกนกระทั่งว่ามันรู้ลึกเข้าไปเรื่อยๆจนันไปถึงแก่นของธรรมะแก่นของธรรมชาติอันนี้จริงๆว่ามันเป็นอะไรจริงๆเนี่ย มันเป็นตัวกูไม่เฝ้าดูนานๆดูกายอยนีย้ดูในขณะยืนก็นดูเดินก็ดูนั่งก็ดูนอนก็ดูดูกายเนี่ยอะไรที่เป็นของเราอะ่ะถ้าเราดูมากเขามาเขามาเข า, ขมามไม่ได้มีอะไรเป็นของเรานะมันเป็นแต่ธรรมชาติที่มันเป็นทุกข์นะเป็นธรรมชาติที่มันเป็นทุกข์นะเนี่ย นั่งนานๆกันเป็นทุกยืนนานเป็นทุกเดินนานกินมากอะไรในถั ง, งอย่างที่ว่าเป็นทุกหมดเลยแล้วอันไหนคือของเราอ่ะแล้วก็แก่เจ็บตายมันเป็นโดยธรรมชาติมันอยู่แล้วแล้วเราเอาตัวกูของกูจากไหนมามันเกิดขึ้นพรละอรพมเรามาสําคัญบรรใหม่ตัวตนนี้มันไม่ทันความคิดทนิ่ มันมาคิดกับธรรมชาติไั้ที่มันมันแตกสลายหายไปอยู่ตลอดเวลามันเสื่อมตรอดเวลาเนี่ยแต่เราก็มาคิดว่าเป็นของเราเป็นของเราจนทั้งเกิดกันเมาเมากายนี่เมาตัวเมาตนถ้าไม่อย่างเมาเราก็ต้องคลายออกเวลามันจะคิดเข้าไปในความคิดว่าเป็นตัวกูเราก็ดึงออกมาอยู่กับความรู้สึกตัวและลึกรู้อยู่แบบรู้สักแต่ว่าเอ้าลึกรู้สักแต่ว่าอย่าเพิ่งให้มันคิดไป แต่ที่จริงมันมันไม่ได้เกี่ยวกับกายนี้มันเกี่ยวกับความรู้สึกความนึกความคิดความเข้าใจผิดนะเราเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมิจฉาไปว่าผิดทิฏฐิไปว่าเห็นมันเห็นผิดเห็นว่าเป็นตัวกูของกูนี่มันเห็นเป็นนี้เราเลยมาเฝ้ารัวทําทไงมันจะเห็นว่ามันไม่คิดกับกายเนี่ยก็ต้องเห็นมันก่อนเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติ อย่างที่ว่ามาปฏิบัติทาให้เห็นทำหเห็นทำคือเห็นธรรมชาติอันนี้ว่ามันเป็นจริงคืออะไรความจริงของมันนะทำไมเราเอาจริงเอาจังกับมันนักหนาสังขาร น, นี่ทำไมไม่ปล่อยไม่วางไม่เห็นว่าเขาเป็นธรรมชาติเฉยๆยืนเดินนั่งนอนวันหนึ่งทบทวนหนูที่ชีวิตนี้มีสติแล้วเลือกรู้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ เราเกิดมาอายุคนละสามสิบสี่สิบห้าสิบปีแล้วเนี่ยห้าสิบปีสามสิบปีสติบวกกันเนี่ได้พออาทิตย์ไหมสติเลยลึกรู้นี่นะสติที่เป็นไปตามสัญชาตญาณและสติที่จะทำให้มันเป็นปัญญาญาณสติที่แบบกำหนดรู้เนี่ยบวกกันทั้งชีวิตนี่นได้พอชั่วโมงหนึ่งไหมนี่กำหนดรู้นี่ คนอาจจะไม่มีเลยดำเนินชีวิตไปตามตันหาตามความคิดความอยากไหลไปตามกระแสแล้วอย่างนี้มันจะออกได้เหรอมันมีแต่คิดแต่จะรวยจะมีจะยิ่งใหญ่จะต้องมีฐานะแบบโน้นแบบนี้ทัดเทียมคนโน้นโคนนี้ต้องมีอะไรที่มาตอบสนองตาหูจมูกลิ้นกายให้ยิ่งยิ่งึ้นไป แทนที่จะเกิดความเข้าใจโอ้กลายเป็นอย่างนี้เนาะเวทนาเป็นนี้นะเออปีนี้ความโกรธก็ลดลงนะความโลดลดลงนะความหลงลดลงนะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงนี้เริ่มจืดจางลงนะเนี่ยมันก็ไม่เป็นเราไม่เคยเฝ้าดูปป น, นั้นชีวิตนี่งั้นก็มาเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตใหม่ให้มันมีสตนะิสติไม่ใช่หมายว่าจะมีทุกคนนะ บางคนก็ไม่มีนะถ้าไม่กําหนดรู้มันไม่เกิดขนาดกําหนดรู้แบบเอาเป็นเอาตายอย่างเรามากําหนดรู้ยังไม่ค่อยมีเลยนะกําหนดรู้หนักๆพอตีครั้งแม่งออกจากที่ไม่รู้สึกอนะไปตามความคิดทันที่มันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกความรู้สึกที่เป็นเวทนานความรู้สึกที่เป็นสติที่เกิดการระลึกรู้เนี่ยมันคุมไม่ได้่ะ อเห็นจะว่าถึงการที่จะเป็นปัญญาเลยมันยิ่งยากเข้าไปอีกทีนี้เขาไม่พอนะเวลาเลื่ลึกรู้เนี่ยเลื่ลึกรู้อยู่กายเวทนาจิตหอเลลึกรู้อยู่กับการยืนการเดินการนัง่งการนอนถ้ามันเกิดปัญญาเกิดปัญญาคือเกิดความเข้าใจในอริยบทใดอริยบทหนึ่งเนี่ย คือความเข้าใจตามหลักของไตรลักษณ์คือมันมันจะเกิดการโปร่งตกนะ่ะมันเหมือนคิดได้แต่มันจะมีภาวะที่มันแจ่มแจ้งขึ้นมาโอ้มันเป็นีนี่เองเนาะความเข้าใจแต่ละครั้งนี่จะก่อให้เกิดสมาธิขึ้นมาที่จะเป็นฐานที่เกิดความรู้ต่อไปได้เรื่อยๆถ้ารู้ในะอริจบทใหญ่กําหนดรู้ได้ต่อเนื่องอนิจบทย่อยมันจะละเอียดลงไปขางมันเอง การกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการเหลียวหน้าเลียวหลังหนุงสบงทรงจีวรถ่ายอุจจารปัสสาวะการก้มการเงยการกระพริบตาการหายใจรวมทั้งการคิดการปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มรู้ของมันเองแต่อริยบทหยบหยาบนี่ยยังไม่รู้ใจมันไม่เกิดการปล่อยวางขึ้นมาแล้วอยากไปรู้เท่าทันความคิดมันจะยาก รู้กายเพื่อปล่อยวางกายนะเนี่ยอืร่างกายนี่มันมาคิดอะไรกับมันเนี่ยวันวันหนึ่งเลยเนี่ยที่มันไม่รู้เท่าทันเพราะมันไปกับความคิดเนี่ยนันก็ให้รู้เท่าทันกายอันนี้บางคนไม่รู้ดิซําไปว่าสติคืออะไรกายคืออะไรแยกสติกับกายออกจากกันก็ไม่รู้นะีมีแต่มาคิดมีแต่คิดของคิดบางทีเนี่ยความคิดเนี่ยไม่ใช่สตินะ คิดดีขนาดไหนก็ไม่มีทางเห็นทำมาสติแปลว่าการระ ล, ลึกรู้หรือการเฝ้าดูเฉยเฉยเนะี่ยเฝ้าดูกายเนี่ยเฝ้าดูกายเห็นกายตามความเป็นจริงเป็นจริงของมันคืออะไรเป็นจริงคืออย่างที่มันเป็นเนี่ยแหละมันเป็นอะไรก็ดูมันเฉยเฉยนีย่แต่จะไปคิดอะไรกับมันเฝ้าดูมันทนดูได้ไหมนั่งดูทั้งวันเนี่ย หรือถ้านั่งไปนั่งมามันเจ็บมันปวดก็เดินดูดูทั้งวันอย่าให้สติมันห่างกายจนเกิดทั้งมันเกิดความเข้าใจความเข้าใจแบบแจ่มแจ้งนะหมดความลังเลสงสัยตัววิจิตรฉาในกายนี่ไม่มีเขาเรียกว่าเกิดญาณนทัศนะ์การเห็นด้วยญาณญาณคือความรู้ที่เกิดจากสตินี่แหละ แต่จากสติธรรมดาและลึกรู้แบบนี้เนี่ยถ้ามันเป็นสติปัฏฐานนีมันพัฒนาไปสู่กันสภาวะธรรมที่เขาเรียกว่าญาณปัญญาคืเแี้กมันจะเห็นกายตามความเป็นจริงถ้าเห็นในวัดตรงไหนตรงที่มันเกิดนิพิทาเกิด ค, ความเหนื่อยห น, น่ายนิพิทาในความเหนื่อยหน่ายเหนื่อยหน่ายในกาย น, น, น, ายนี้แต่ก่อนเราเมากายนี่แต่ก่อนเราเมาเมาเรื่องราบยศสารเสริร์นะ ลาบยบสารเสริอ น, นี่อยู่ไกลตัวมากอยู่ข้างนอกเนีน่ะแล้วยังเมาเมายัางไงเมาทําอาการเมาก็เกิดจากทําให้เกิดความทุกข์นั่นแหละอึดอั ด, ด, ดงุดยิดถ้าได้ก็ดีใจอาการดีใจเป็นเมาแบบหนึ่งถ้าไม่ได้เสียใจงุดห ง, งิดอึดอัดฟุ้งซ่านมันเมาถ้าขยับเข้ามาล่ะ าาก็จะความก็เเรื่องของกายจากลาบยศสน์เสริมเข้ามาเรื่องของกายแล้วมาเมากายเนะมากายนี้มันยึดมัน่นหรือมันในมันแต่พออีกหน่อยบางทีก็มาเวทนาอย่างกินข้าวนีนมันเด็ดลอยแล้วก็ลุยแหลกนะติดเวทนาที่เกิดขึ้นบางทีก็เมาทิฏฐิมานะตัวเองความคิดความเห็นดูถูกคนนั้นเหยียดหยามคนนี้คือมันเป็นเรื่องของ สมมติทั้งหมดเลยอาการทั้งหลายทุกนี่เกิดขึ้นเอสมมติขึ้นทางกายบางทางจิตบ้างเวทนาที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้เท่าทันมันเราเฉยกับมันไม่เป็นสักอันพอมันมาปุ๊บเราลุดไปทันีนั่นเขาจึงพยายามให้มีสติอยู่กับกายอยู่การยจนถ้ามันรู้รูปรู้นามรู้รูปนามตามความเป็นจริงเออวะอันนี้มันเป็นรูปนะนี่เป็นนาม สาภาวะรู้ล้วนๆเนี่ยสติที่มันปรากฏขึ้นพี่เป็นสติปฐานยิ่งสติอันบริสุทธิ์ที่เขาเรียกว่าดวงตาดวงตาคือตัวเห็นเนี่ยตัวสติที่มันบริสุทธิ์สะอาดที่มันเห็นเห็นธรรมาชาติของกายที่เดินไปเดินมาแบบไม่มีความปรุงแต่งไม่มีอะไรสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยกายเป็นสังกว่ากายเห็นกายเดินชัดตัวรู้กว่าชาัดเจนเขาเรียกว่า ธรรมมาจากสุปรากฏเกิดขึ้นธรรมมาจากสูุอันปราศจากทุลีปราศจกาจกมวลทินมันไม่มีฝุ่นไฟฟ้าอะไรเขาไปจับอยู่ในการเห็นนั้นมันจะเห็นชัดเดินเห็นกายเดินไม่มีกูไม่มีมึงอยู่ในนั้นเลยเป็นธรรมชาติสองสิ่งที่สัมผัสกันเป็นรูปเป็นนามโดยธรรมชาติมานึ่งแต่ไม่ใช่นึกเอาหรือขณะใ ด, ดขณะหนึ่งนะที่มนเป็นแต่มันจะเกิดขึ้นพร้อมกับความแจ่มแจ้ง ความคลายจางของทุก ค, ความหายสงสัยคือมันเกิดขึ้นเพราะควทุกข์มันหายเนะี่ยภาษาพระเขาเรียกว่าเป็นเป็นสภาพธรรมที่เรียกว่าจุติจิตจุติจิตคือจิตมันได้เกิดเนะ่ยได้เกิดปัญญาเกิดดวงตาเห็นธรรมภาษาที่เราคุ้นกันก็คือได้ประสูตรนะประสูตรแปลว่าสภาวะธรรมที่มันได้เกิดขึ้นมาได้เกิดได้เกิดทางปัญญาแล้ว เกิดดวงตายนาเกิดตัวน้อ ย, อยขึ้นมาเหมือนพวกพระเยาได้ประสูติได้เดินได้เจ็ดเก้าอย่างเงี้ยคือเกิดปัญญาเกิดดวงตายเห็นธรรมแล้วจิตมันจะอยู่กับสติสติเกิดแล้วได้สติแล้วมีสติมีเกิดตามคุณธรรมของหลักของการบรรลุธรรมนั่นแหละคือมีพุทธชงปรากฏเกิดขึ้นเกิดสติเกิดธรรมวิจัย คือได้สติแล้วมันจะสังเกตอยู่กับกายเดินไปมันก็เกลึกรู้อยู่ตลอดเวลานะ่ะคนได้ดวงตาเห็นธรรมยอยู่กับกายตลอดพินิจพิเคราะห์อยู่ ก, กายน่ะก็มีวิริยะขยันปฏิบัติไม่ออกจากทางจงกลมละ่ะไม่ออกจากธรรมที่ภาวนานะพอสลัดได้ปล่อยวางนะั้ก็มีแต่ตัวปีติมิได้ความเอือมอิ่มยิ่งทําความเพียรยิ่งสนุกนะยิ่งชอบ ยิ่งอยากทำความเปลี่ยนเพลอไม่ได้เดินจยกกลมแล้วทาความเปลี่ยนแล้วและลึกรู้แล้วมีแต่ความสงบสงัดพอใจในความที่จะอยู่ในสถานที่ที่วิเวกและก็มีความพอใจที่จะพ่อคูนตัวสมาธิให้สูงขึ้ น, นเรื่อยๆมากขึ้นมาขึ้นเพื่ออะไรเพื่อการยูอย่างรู้สัจธรรมที่ลึกลงไปกว่านั้นอีกเหมือนรโยนหินลงในน้ำน ถ้ามันเบาๆมันไม่หนักแน่นพอมันลงไปลึกไม่ได้ถูกเคลื่อนตีกลับขึ้นมาเหมือนนักประดาน้ำที่เขาลงไปลึกๆเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่ถ่วงอกไปนะนั้นสภาวะการเห็นแจ้งของเราเนี่ยถ้าอยากเห็นทำที่มันลึกๆสมาธิมันต้องเยอะพอสมควรนะนะคือตัวตนมันต้องน้อยมากมันถึงจะลงไปได้แต่ถ้าเรามีอัตตาตัวตนมันทาให้มันเบาขึ้นมา มันทําให้ดันตัวเราขึ้นมาสภาวะจิตเราเนี่ยมันไม่สามารถที่อย่างลงไปสู่ทำอำมาตะธรรมที่มันลึกๆได้กลายเป็นว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมดวงตาที่จะเกิดเกิดขึ้นก็เกิดมาแล้วเหมือนคนตาบอดเราเป็นคนตาบอดนะทั้งที่มีดวงตาอยู่แต่ก็ไม่ทําให้มันเกิดแล้วมาปฏิบัติธรรมนี่เร า, าเปิดดวงตานะเคยเห็นไหม เวลาเขาจะถวายพระพุทธรูปที่นูนที่นี่เขาจะทําพิธีเปิดดวงตาหรือเขาเรียกว่าเบิกพระเนตรเปิกพระเนตรพระนะพระที่ไหนพระก็คือเราดิแหละพราะพุทธรูปไปไปเบิกเองก็มไม่ไม่เห็นอะไรหรอกมันลืมตาขึ้นมามองใครไม่ได้นะแล้วจะพูดถึงมาตัวแทนของบูรพเจ้าพบูรพเดจาวท่านก็ดวงตาท่านเปิดแล้วท่านเปิดนานแล้ว ถ้าท่านบารรลุทำด้วยน่ะแต่ความเป็นจริงตาของพวกเราเองนี่ที่มันไม่เบิกมันไม่เปิดนะแทนที่จะไปทําพิธีเปิดดวงตาให้กับพระพุทธเจ้าเบิกพระเนตรเบิกตาพวกเราเนี่ยนะให้มันสะอาดสว่างสวยข้นมาให้มันเห็นธรรมําความเป็นจริงนี่แค่เห็นรูปทําความเป็นจริงนะถ้าเราเห็นรูปตามความเป็นจริงเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับการเวทดูเวทนาด้วย เวทนาที่ปรากฏเกิดขึ้นนี่เราก็จะผ่านได้บางคนเดินไปชน oidal เจ็บปวดเมื่อยเป็นอย่างโน้น อ, นอย่างนี้ขึ้นมาไม่ไหวเนาะมันยากโยมตาทัศน์ต่างหลายไม่สามารถที่จะทนเวทนาที่ดังหนักได้หรือเวทนาที่เบาบางที่เกิดจากการเดินจูงมเมื่อยก็แพ้นะง่วงกับแพ้อะไรประมาณนี้มันคือธรรมชาติกระจิงคุณก็จะดูธรรมะอันนี้แหละจะเห็นธรรมะอันนี้แหละเหน็นสิ่งที่คุณเป็นทุกข์กับมันนี่แหละเห็น ว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเห็นหลักสัจธรรมในสิ่งที่ปรากฏขึ้นในกายนี้ในเวทนานี้นี่แหละแต่ถ้าเราปฏิเสธที่จะรับรู้มันเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสได้เห็นนะชีวิตเราก็จะจมอยู่กับกระแสเวียนว่ายอยู่กับสิ่งที่มันเป็นนี่แหละนะไปจนตายมันถ่ายถอนอะารมณ์อะไรไม่ได้ไม่เกิดนิพพิทาไม่เกิดวิลาขะ ไม่มีความเหนื่อยหน่ายไม่มีความคลายกําหนัดขัดเคืองอะไรความขัดเคืองเกิดขึ้นก็เป็นเหมือนคนเป็นโรคถ้าต่เกิดมาจนตายรักษาไม่หายเรือรังอยู่อย่างนั้นนะของคนเราก็เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นนะโรคทั้งจิตเนี่ยเขาเรียกว่านามะโรคไม่ใช่รูปโรคโรครักโรคชังโรคโกรธเกลียด อิจฉาพอใจไม่พอใจโลกที่เกิดจากความหลงตนลืมตัวเมากายเมารูปหนักยิ่งกว่าเมาอย่างอื่นนะเมาหลาบเมายศเมาสารเสื่อนเมาสุขเมาทุกข์อยู่นี่เมื่อไหร่ที่เราจะหายเมาเมื่อไหร่ที่เราจะเป็นมัธนิมมัทโนวิราโคเมื่อไหร่จะคลายกำหนัดเมื่อไหร่จะหายเมามันไม่หายถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเพราะเรามีแต่กินกับกินวันหนึ่งเนี่ย กินแต่ความมมมงายกินแต่ความทุกข์ที่เขามาในใจเราเ็าจะเป็นสัตว์ที่เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามนะก็คือจิตเรานั่นแหละเวียนว่ายอยู่ในกามมาวะจรภูมิคือจิตเวียนว่ายอยู่ในกามอารมณ์กามติดอยู่ในกามคือความใคร่ความอยาก ในรูปรถกลิ่นเสียงติดอยู่อย่างเนี้นออกไปได้รูปปาวจรภูมิก็ติดอยู่ในรูปที่แรกติดในอารมณ์กลา้ากามความไข่แต่ติดในรูปชอบของสวยๆงามๆติดอยู่ในรูปรวมทั้งรูปสมาธิด้วยแล้วติดอยู่ในอปรูปปาวจรอรูปรารปาวจรภูมิคือจิตน่ยมันเวียนว่ายอยู่แบบนี้จิตก็จะอยู่แบบนี้มันไปไม่ได้ อยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่นะคกำเนิดทั้งสี่ก็คือมันติดอยู่ในความทุกข์นะครกำเนิดไว้ว่าเกิดนะเกิดจากอะไรบ้างแต่ว่าเกิดเขาไม่มีโอกาสได้ประสูตรของเขาสักทีเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรก แต่เกิดผุดขึ้นนี่ไม่มีโอกาสได้เกิดเกิดผุดขึ้นคือเกิดปัญญานะเกิดการรู้แจ้งแบบผุดขึ้นมายเ่วนมากก็คือเราเกิดมาก็เกิดในคันเกิดในคันนี้่หม่ยถึงเกิดในตัณหานะเกิดในไข่ก็คือเกิดอยู่ในสมาธินะไม่หมายว่าเป็ดไก่มูหมานะเกิดในของสกปรกก็คือติดอยู่ในความโลภโกรธหลงนะเกิดแบบผุดขึ้นนี่คือเกิดเป็นอริยะเจ้านะเป็นพระอริยะ ที่เราจะเกิดแบบแหนชีวิตเราเนี่ยวันวันหนึ่งนี่มันเกิดแบบนี้อยู่ไม่รู้กี่ครั้งนะฮะแต่ว่าจะเกิดแบบปัญญาเกิดปัญญาเกิดแบบอา่าส่วนมากก็เป็นแบบเปรดแบบผีแบบปสศรกายเลยจิตของเราเนี่ยมันเกิดอารมณ์แบบนั้นแต่เกิดแบบเกิดรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในสักทีตั้งใจดีตั้งใจดีๆ สรุปก็คือเป็นแบบสัมภเวสีไม่ได้พูดไม่ได้เกิดไอชานเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้เกิดขเขาเกิดมาเกิดมาแคจมอยู่ในในรกนั่นแหละมันไม่ได้เกิดเสทีอ่มันเป็นทุกข์อยู่แบบนั้นมีขันห้าขันขันเราในมีห้าขันนะเนี่ยมีห้าขันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณใจเราเนี่ยก็เรียกว่าขัน รูปขันความคิดที่เกิดมาเป็นรูปเวทนาขันก็คือมันพอใจไม่พอใจแล้วสัญญาขันก็คือความจำสังขารก็คือความปรุงแต่งวันหนึ่งมีไหมเป็นอย่างนั้นไหมวิญญาณก็คือการรับรู้มีขันห้าขันมีขันขันเดียวบางทีบางคนทำสมาธิก็เหลืออยู่แต่ขันเดียว คันนี้มีแต่รูปแต่ไม่มีเวทางเหมือนเวลาเรานอนหลับนั่นแหละเรานอนหลับเนี่สัญญาไม่มีสังขารปรุงแต่งก็ไม่ปรุงแต่งถ้ า, าหลับสนิทนะวิญญาณการรับรู้นั้นนี้ก็ไม่รับรู้หลับนิ่งเฉยหยุดคือเวลามันหยุดทํางานแบบนี้นี่เวลาเราตื่นขึ้นมันจะสดชื่นแจ่มใสมีพลังถ้าไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยสารเอโดฟินไม่หลัง ถ้ามีสมาธิหน่อยได้หลับดีๆหน่อยมันหลังได้นั่นเขาจึงอยากให้มันมีสมาธิถ้าสมมติว่าชีวิตนี่ยแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไม่จะไปต้องหลับแต่ถ้าเรามีสมาธิอยู่ตลอดเนี่ยจะเป็นยังไงมันเหมือนจิตไดพักผ่อนแล้วมันตื่นมันก็จะสดชื่นตลอดเวลานะดังนั้นเราทําอะไรกิจกรรมอะไรการงานอะไรก็จิตใจก็จะสดชื่นแจ่มใสไรทุกข์เพราะมันไม่ได้ออกไปนอกตัว มันเฉยเลยลึกรู้อยู่เนี่แต่ว่าขันคันเดียวเนี่ยที่มันหมายถึงคนบางคนเนี่ยติดอยู่ในความห่วงความเงาตลอดไม่ยอมรับรู้เรื่องไหนอะไรเลยหรือบางคนก็ติดอยู่ในสมาธินะเป็นแบบเหมือนพรมอคือบางคนไปติดสมาธินั่นนงก็ไม่รับรู้อะไรนั่งไม่ดูอะ่ะ รูปเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นยังไงไอความยึดมั่นถือมันในมีอุปทานในขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันทำงานแบบไหนไม่รู้ก็เอะได้นั่งสมาธิพอหยุดนั่งสมาธิก็เหมือนเดิมพออะไร้มันไม่เกิดดวงตาเห็นธรรมมันไม่ได้เห็นว่าอะไรเป็นธรรมอะไรเป็นทุก์เนี่ยยกมือสูงสูงหายใจลึกๆมองไกลไกลลืมตากว้าง นี่อาสมวงสนิทนะเนี่ยปฏิบัติธรรมเนี่ยวันนี้เราก็ปฏิบัติวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่สองที่สามก็มาแล้วยังเป็นอาสมหลับสนิทยังไม่ไหวแล้วรู้จักหน่อยมีปัญญาในการแก้ไขหน่อยเวลาอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าแก้ไขไม่เป็นเนี่ยโอ้ยนะมันก็สมควรตายนะพูดง่ายๆ ถ้าแก้ไขไม่เป็นเนี่ยเขาสมทวนตายของพระพุทธเจ้าก็ใหม่เว่าก็คือสมควรอยู่กับทุกข์นั่นแหละมันก็ทุกข์แล้วมันแก้ไขไม่เป็นน่อารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันแก้ไขไม่เป็นไอ้พวกที่หลับง่ายๆหลับเนี่ยพวกนี้จะอารมณ์ฉุนเฉียวดุดันเพราะแล้วมันแก้ไขไม่เป็นแล้วมันไม่มีปัญญามันจะอยู่กับตัวโทสะตัวโมหะตลอดเวลาจิตมันนะ่ะมีขันศีขันบางทีก็มีนะบางคนนี้ติด ติดใจในเวทนาติดความชอบตลอดเวลานะติดเวทนาติดกินติดดื่มติดเห็นติดเที่ยวติดอะไรอย่างเงเนี่ยผูนะ้นี้นเทวดามีขันสี่ขันแต่มนุษย์นี่มีขันห้าขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยพบใหญ่บางเรื่องก็ยาวบางเรื่องก็สัน้นชีวิตมันสิ่งที่มันติดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นนะเรื่องชีวิตเราพุทศาสนาเนี่ย ขันสี่ขันห้ไม่ใช่ผีไม่ใช่เปรตไม่ใช่ที่น้นนี่แต่จิตวิญญาณเรานี่แหละที่มันเป็นบางวันก็พบสั้นๆพบภูมิก็คือห่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเรานรั่นแหละความคิดหนึ่งๆนั่นแหละ บ, บางเรื่องยาวบางเรื่องสั้นเรื่องไหนชอบมันก็ยาวบางทีไม่ชอบนะสมมติเกลียดใครสักคนเนี่ยมันก็ยาวเหมือนกันนะ ตกนรกยาวแต่เรื่องไหนที่ที่สบาย อ, อกสบายใจจะมีน้อยๆขึ้นสวรรค์นเนี่ยอายุมันจะสั้นๆแต่ถ้าตกนรกจะเป็นหมื่นปีคราว่าถ้าเราปฏิบัติทำเนี่ยเราจะเจร่ญสติปัฏฐานเราจะรู้จักหมดเลยขบวนการในคำสอนพุทธศาสนาอะไรคืออะไรอะไ ร, ะไรเป็นยังไงเนี่ยแล้วเข้าใจอย่างสามาทิฐิด้วยแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติทำไม่จเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะรู้ในตารา รู้ใจ ต, ตำราแล้วก็ตีความเมาอันนั้นน่ายใอย่า ง, งนะั้นนะอันนี้น่าจะหมายถึงอย่างนี้นะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ใหญ่ยากอไปดูที่ในหนังสือเขาว่ายัางไงนรกสวรรค์นในเถรวาทนารกสวรรค์นในมหายานตีความเป็นคนอาคำพีนั่นอ้างว่าอ้างว่าแต่ไม่เคยดูคำพีตัวเองทั้งทีว น, นี้แล้พระพุทธเจ้าท่านหมายถึงอะไรทุกเนี่ย ไม่รู้แต่มีแต่ในคำพีในคำปีใน ต, ตลอดตํราเาไปมามีแต่ขยะนะดนั้นเราย้อนกลับมามาดูชีวิตตัวเราเองเดีย่ยเราปฏิบัติทำเนี่ยเรารู้สึกจริงๆริงไหมเห็นกายจริงจริงไหมเห็นเวทนาจริงจริงไหมทำไ ม, ไมต้องไปพูดถึงเรื่องรู้จิตนะรูนะ้จิตคือมันคิดเนี่ยแล้วอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราลึกรู้อยู่กับกายเนี่ยเราไม่สนใจมันก็ดับ ความคิดเนี่ยถ้าเราไม่สนใจมันนะมันก็ดับถ้าเราใส่ใจรู้สู่อยู่กับการเพราะว่าไอ้ตัวคิดเนะ่ะคือคือตัวไม่รู้สึกนี่แหละที่มันคิดมันปรุงแต่งไปนะ่ะแต่ถ้าเรารู้สึกอยู่นี่อยู่กับการนี่แล้วมันจะ อ, อะไรไปปรุงแต่งเนะ่ยมันก็ไม่มีแต่เนื่องจากว่ามันหลุดออกจากความรู้สึกที่อยู่กับกายนี่มันก็เลยไปคิดไปมันก็เลยเป็นเวทนาทางจิตขึ้นมาเกิด ค, ความพอใจไม่พอใจไปเรื่อย มันก็ไหลไปตามกระแสนะแต่ถ้าเรารู้อยู่กับกายเนี่ยมันไม่ไปหรอกเวทนาทางจิตมันก็ไม่เกิดหรอกแล้วมันก็จะเหลือถ้าเราเข้าใจตอนนี้ปุ๊บมันก็จะเหลือแต่ตัวสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาก็คือเป็นภาวะของตัวธรรมารมณ์อารมณ์ที่มันเป็นธรรมะเนี่ยมันจะปรากฏเกิดขึ้นกับจิตแต่ไม่ใช่ธรรมารมณ์หมายถึงความคิดความปรุงความแต่งความไม่ใช่หง่วงเมาเฮานอ น, อนฟรรุ้งสั่นไม่ใช่ คือพอมันรู้อยู่กับปัจจุบันธรรมปุกตัวธรรมอารมณ์คือตัวปีตินะก็จะปรากฏเกิดขึ้นตัวสมาธิก็จะปรากฏเกิดขึ้นนะตัวยานก็นจะปรากฏเกิดขึ้นตัวเข้าใจอะไรต่างเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นตัวมรรคตัวผลเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าธรรมอารมณ์อารมณ์ที่มันเป็นธรรมะเนี่ยมันปรากฏเกิดขึ้นฉะนั้นเวลาคนรู้รูปน้ําในเบื้องต้นเนี่ยธรรมะมันจึงแตกขึ้นมาไง มันเหมือนกับเราเจาะน้ํานะเจาะไปเจาะมาไปถูตาน้ําแล้วมันแตกระเบิดขึ้นเย่างนีความรู้ไม่รู้มันหลังไหลมาจากไหนเนี่ยอันนั้นก็รู้อันนี้ก็รู้อันนี้ก็เข่าใจนี่กับเข้าใจเนี่ยสติอยู่กับกายนี่เวลามันถูกจังหวะมันมันรู้แจ้งขึ้นมามันเข้าใจไปหมดน่ะโอ้ตํารานั้นแปลว่าอันนี้อันนี้เป็ี่ยนไปนั้นมันเกิดเข้าใจขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ที่มันเริ่มเป็นธรรมารมณ์มันปรากฏเกิดขึ้นมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้น แต่ตำรามันเป็นอีแบบหนึงเราไม่เคยเข้าใจธรรมะเราเคยพูดธรรมะไม่ได้เราไม่เข้ามันก็เข้าใจขึ้นมาโอ้ไม่เหมอะเริ่มมีดวงตาเมื่อมีดวงตาดวงตาเห็นธรรมเริ่มปรากฏโอ้อันนี้เป็นนี้นะเห็นรูปเป็นรูปนะธรรมชาติของรูปเป็นนี้นะเมื่อเกิดดับไปเรื่อยปล่อยวางไม่ได้เห็นพร้อมกับการปล่อยการวางธรรมะเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่คนมันรู้เนี่ยแต่มันไม่เห็น รู้ก็รู้แบบรู้จำรู้จักแต่ไม่ได้เกิดจากการรู้แจ้งรู้จริงรู้แจ้งรู้จริงนี่คือมันต้องรู้จากสติสัมปชัญญะอันนี้แต่ไม่รู้จักความคิดพินิษพิเคราะห์พิจารณาไม่ใช่ปฏิบัติทําเหมือนกันเราก็ไม่ได้มาพิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นนสุภาพมันเน่ามันเหม็นมันเปื่อยไม่ใช่แต่เราเล็กรู้อยู่เฉยเฉยนี่เราเล็กรู้ดูกายแล้วก็ทิ้งไปตะทิ้งไปลืมตาลืมตา มองไกลๆจิตนี่ก็คือตัวที่มันไปคิดไปนั่นแหละแต่บางทีมันไม่ได้คิดนะมันเฉยเฉยถ้าสังเกตไหมเป็เวลาเราทําเนี่ยมันจะเฉยเฉย อ, อยู่นะเป็นอะไรเลยรู้จิตแทนที่จะให้คิดไปนี่ยเราเอามารู้เฉยเฉยมารู้กายเนี่ยทีแรกรู้แค่มือเนี่ยหรือรู้แค่ลมอาการกายคือลมหายใจเนี่ยลมหายใจก็เป็นกายหนึ่งคืออะไรที่เกิดขึ้นอาการของกายเนี่ยอาการสามสิบสองเนี่ย มันเป็นนิมิตหมายหรือเป็นที่ตั้งแห่งการกําหนดรู้ได้หมดแหละนะนะอย่างที่เราได้ยินว่ากําหนดรู้อาการสามสิบสองเนี่ยในร่างกายเรามีอยู่สามสิบเออย่างนะรวมมันสมองเป็นสามสิบสองคือเป็นที่ตั้งของการกําหนดรู้ได้หมดแล้วสามารถรู้แจ้งได้หมดนะ่ะแล้วแต่เราจะกําหนดรู้อะไรยังไงไม่จะไปต้องลมหายใจนะไม่จะไปต้องหลับตาคือมันสามารถ เมลมันรู้สึกแล้วเนี่ยตอนเดินก็รู้สึกตอนนั่งก็รู้สึกตอนนอนก็ระ ล, ลึกรู้คือมันเป็นธรรมชาติไปหมดเลยจะยืนเดินนั่งนอนจิตมันก็รู้อยู่นี่มนแล้วมันไม่ออกแต่ถ้ารู้เฉพาะตอนเดินพอมานั่งหายลืมรู้ไม่ใช่คือมันต้องเป็นธรรมชาติมันต้องเป็นสากลนะสติ ปัจฐานเนี่ยต้องเป็นสากลต้องรู้อยู่ในได้ในทุกอริยบทยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็ตามมันต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่รู้สึกแบบรู้สึกแบบนี้เฉยเนะแต่มันจะมีตัวปีติมีปัญญามีความเข้าใจในการทำแรกกิเลสออกไปในตัวของมันด้วยมีการถ่ายถอนกิเลสอาสะวะตัณหาทั้งหลายทั้งปวงออกไปได้ด้วย ลุตาเดินลงมารอบหนึ่งแล้วนะตอนทีสองสิบเจ็ดนาทีเนี่ยเดิมันไม่เห็นมีใครตื่นซักคนนัวจะมีคนตื่นก่อนลุกมาเดินจกงมมาอะไรนี่จ้าคือถ้านอนเร็วนอนสามทุ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะตื่นเร็วนอนสามทุ่มเนี่ยปกติลุงตาจะนอนห้าทุ่ม ว่าหนึ่งหนึ่งก็อย่าให้มันหนีนะเรามฝาฝึกเนี่ยแต่ก่อนมันไม่เคยคุ้นเคยเนาะจิตนี้ดิ้นรนกวาดแกงรักษายากห้ามยากเหมือนกับปลาที่ถูกจับขึ้นจากน้ำแล้วโยนขึ้นบนบกมันยอมดิ้นเพื่อจะตกลงเป็นน้ำเพราะมันเคยอยู่ในน้ำจิตของเราเองก็เหมือนกันมาจากบ้านแต่ก่อนมันเคยอยู่ในบ้านอยู่ในอารมณ์มีความคิด อย่กัความห่วงความเหงาพอมาอยู่อย่างนี้ให้มันอยู่เฉยๆเนี่ยเอาขึ้นบนบกคือยกออกจากอารมณ์เนี่ยมันจะดิ้นมันอยากตกลงไปในอารมณ์เหมือนเดิมมันจะอึดอัดงุนงิดมันไม่ได้อย่างใจมันนะนะแต่เราก็ดูมันเอ้ามันดิ้นดิ้นทําไมมันดิ้นมันอยากได้ถ้าถอนความอยากออกซะละมันก็เป็นจิตธรรมดาจิตล้วนๆจิตเฉยๆถอนความอยากออกเนี่ย เดนี้ที่มันดิ้นนี่ยเพราะมันมีแต่ความอยากความอยากทาให้จิตเรามันดิ้นเนี่ยเนี่ยถอนความอยากเราปุ๊บความพอใจและความไม่พอใจออกเสียได้ในโลกในโลกในโลกพอใจละความไม่พอใจในโลกเสียได้มันก็หยุดอยากหยุดอยากมันก็ไม่ดินน้นนะแต่ถ้าหยุดเฉยเฉยมันก็ไม่ได้ต้องอยู่กับปัจจุบันนี่ต้องกำหนดรู้นี่ไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวถ้ามันเกิดปัญญา เวลามันจะเกิดปัญญามันก็เหมือนเคยพูดปล่อยๆนะมันเหมือนกับมันจะมีอาการหรอกคนที่จะเกิดปัญญานั้ขยันคนขยันคนตั้งใจเวลาฟังนี่มันก็ตั้งใจฟังเวลาปฏิบัติมันก็ตั้งใจปฏิบัติเวลามันก็ตื่นเดึกลุกชาขยันทําความเพียรแล้วมันจะเริ่มโล่งลงโล่งหรอกมันจะมันเวลาเดินโยกกลุ่มเนี่ยเวลาสร้างจังหวะนี่ก็เหมือนกันมันจะขยันที่จะดูอนั้นแหละเขาใกล้จะรู้ธรรมะแล้วน่ะ อุปนิมิตเริ่มจะเกิดขึ้นแล้วแสงเงินแสงทองจะเริ่มสัดสองขึ้นมาแล้วเราจะเริ่มเห็นใบ ไ, ไม้เรืองเหลืองอะไรบ้างเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาดวงอาทิตย์เนี่ยจิตของเราก็จะเป็นแบบนั้นนะ่ะคนที่จะรู้ธรรมะเนี่ยมันจะไวตอนเย็นก็อาบน้ํามาแล้วอย่างเงี้ยคือมันจะใส่ใจกับกิจกรรมที่ให้เนี่ยเขาเรียกว่ามันมันเหมือนไฟมันกินไม้เนี่ยนะหรือธรรมะมันเริ่มกินใจ ใจมันเริ่มมันอยากเรียนรู้มันอยากเข้าใจอ่ะมันอยากเห็นมันอยากเป็นอยากมีเนี่ยอีส่วนหมันก็จะเกิดนะมันจะเริ่มแบบคลึ้มฟ้าครึ้มฝนซะหน่อยมีบรรยากาศมาเดี๋ยวหน่อยฝนก็ตกจากลงมามันฟ้าร้องฟ้าผ่าอึดอัดกุนิดมันจะมีบ้างแต่มันก็สู้ก็สังเกตมนก็อดก็ทนอีส่วนหนึ่นก็จะลงมาของมันเองครับคนปฏิบัติธรรมก็จะเป็นแบบนั้นถ้าคนไหนคนทนต่อเวทนาอดทนต่อสู้หน่อยเลยเป็นอ่ะ ได้ย hey, ีนางนะ้ํามันหลับเอาหลับเอานะนะนะี่แหละเลื่อมตากว้างๆหน่อยดิเอามือค้าหัวหลับเฉยได้ดิเนี้อเลื่อมตากว้างๆมองไกลๆหลวงตาไม่ใช่คนสายตาสั้นนะมันมีตาทิพนะมองเห็นนี่มองไกลๆง่ายไหมปฏิบัติทำเนี่ยแล้วต่อไปเลยอย่าเรียกร้องเอาสักสองวันได้ไหมมันจะจางไปเลยความง่วงเนี่ย กิเลสเนี่ยถ้ามันไม่เก่งจริงมันไม่กดหัวมันลุกให้จมอยู่กับทุกข์นะเพราะมันเก่งจริงๆนะกิเลสเนี่ยมันถึงเอาอยู่ได้เอาตั้งใจทําให้มันรู้อยู่กับกายนี่มันไม่รู้กับบังคับให้มันรู้กับกายนี่มันรู้รูปรู้นำอย่าง้มันรู้อยู่กับรูปเนี่ยมันจะไปไหนนี่รูปอันนี้รูปลู่รูปลู่รูป่รู้จะมาลูปป่ะเนี่ยถ้ามันไม่รู้รูปก็รูปเอาเนี่ยอามือรูปไปรูปมาให้รู้รู้กับการสัมผัสเนี่ยรู้ รวยพ่อพันแม่แต่ที่แท้ก็ก้อนทุกอันเดียวกันขอให้มันรู้บ้างเถอะนะขอให้สติอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยสังน้อยเนี่ยคุณจะเกิดปัญญานะลองวัดตัวเองดูนะตัวเองอยู่ชั้นไหนคนในโลกนี้เกิดมาจะมีสภาวะทำเป็นแบบนี้นะ คือบางคนเกิดมาไม่มีโอกาสเห็นทำเลยอ่ะไม่มีโอกาสได้รู้ตื่นเบิกบานไม่มีโอกาสรู้แจ้งเห็นจริงกับเขาสักทีเลยเกิดคลอดออกมาเนี่ยจมลงไปในความคิดเลยอ่ะคนเราเนี่ยเกิดมาถ้าจะเกิดมาน่ะเป็นไล่ดูนี่ลูกหลานเลี้ยโหลดเราญาติเราผัวเราเมียเราเนี่ยพระเราพ่อแม่เราเนี่ย ตั้งแต่เกิดมาในจมอยู่ในความคิดตลอดเป็นอย่างนั้นไหมมันมีคนอยู่หกประเภทเจ็ดประเภทนะห น, นึ่งคนว่ายน้ํำจมลงไปในน้ําคนคนหนึ่งเกิดมาแล้วก็จมลงไปในน้ําเลยคนประเภทที่สองโผล่ขึ้นมาได้บ้างโผล่ขึ้นมาแล้วก็จมลงไปคนประเภทที่สามโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลอยคออยู่ได้สั้นน้อย พอคองอยู่หน่อยเลี้ยวไปเลี้ยวมายังไม่เลี้ยวนะโผล่ขึ้นมาหายใจขึ้นมาหายใจหนึหน่งคองอยู่ได้คนประเภทที่สี่นี้มองไปทางซ้ายทางขวาได้นอกจากหายใจแล้วมองซ้ายมองขวาเป็นเนะี่ยคนประเภทที่ห้าโอ้ทิศทางอยู่ทางโน้นนะว้ายเข้าหาฝั่งนะคนที่หกพอว่ายเข้าไปแล้วสามารถยืนอยู่ใกล้ๆฝังได้ ยืนอยู่ที่มันตื้นได้สบายน้ําแค่ขานี่แค่แข้งเนี่ยแสดงว่าปลอดภัยหรือยังือน้ําท่วมแค่แค่น้าแข้งเนี่ยแค่เข่านี่ท่วมแค่หลังตีนเนี่ยปลอดภัยหรือยังปลอดภัยเลยนะเนี่ยอีกคนประเภทหนึ่งสุดท้ายที่เจ็ดเดินนไปอยู่ข้างบนบนฝั่งนะเยี่ยมดู โอ้่วงเป็นตายว่านะญาติโยมนี่จมอยู่เนี่ยคนปรเพศหนึ่งเปรียบเหมือนคนปฏิบัติธรรมเลนะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมีอยู่แบบนี้แหละคือคนบางคนเกิดมาแล้วจมอยู่ในความคิดน้ำเนี่ยคือสังสารวัตน้าเนี่ยคือความคิดความปรุงความแต่งความโลก กามขะพะวควิชโชขวิชโชขทิโถโขขโอคขะเป็นว่าน้ํากามเป็นน้ําแบบหนึง่งคือเราจมอยู่ในกามนะพะวคคือพบชาติน้ําคืออดีตนะอดีตที่เราเคยติดมาเนี่ยเป็นพบเป็นชาติคือเราติดเรื่องอะไรเราไปทําอะไรจิตแล้วจะติดแบบนั้นเนี่ยไม่ติดกามแต่ติตอดีตเราเรียกวพบ ภพภูมของจิตคือจิตมันเคยอยู่ยังไงเคยไปทำอะไรมันจะติดอะนั้นทิฏฐิทิฏโขค่ะติดทิฏฐิจิตเราเนี่ยมันติดอยู่กับทิฏฐิติดทิฏฐิติดมานะความคิดกูค scared, medim, no? to ิดต้องเป็นอย่างนี้อย่างเนี้วันมาหนึ่งติดความคิดแล้วตื่นมาก็คิดแล้วติดมาคิดแล้วติดอยู่ในความคิดนี่ยความคิดความเห็นเห็นว่าหนาเลยเนี่ยนี่อะไรบ้างด่าเ คิดเรื่องการบ้านการเมืองใช่ไปู่คุณมาคิดถึงเรื่องบ้านเรื่องครอบเรื่องครัวเรื่องอะไรต่างต่างเนี่ยมันติดอยู่ในความคิดแต่มันไม่จบ เ, ล, เลยแต่มันติดอยู่ในความคิดแล้วก็น้ําอันสุดท้ายคืออาวิชโชค่ะเินน้ําคือความไม่รู้แจง้งติดอยู่ในความไม่รู้แจง้งมันไม่รู้แจง้งไม่เข้าใจสัจธรรมเนี่ย นั้นจิตเราวันหนึ่งนี่จะเวียนว่ายอยู่แบบนี้แบบนี้ตลอดเวลาคนเกิดมาในโลกนี้นะในมาเป็นมนุษย์ของเขาแล้วก็จมจุบลงไปไม่มีโอกาสได้โผล่เลยคือไม่ได้ปฏิบททัติธรรมคือไม่มีโอกาสได้รู้รูปนามของเขาพูดง่ายง่ายคือจิตที่มันตื่นเบิกบานจิตที่มันมีดวงตาให้ทำมันสะอาดสะอาดสงบเนี่ยมันไม่มีเลย ประเภทที่สองนะโยมถ้าเกิดมาปุ๊บได้ปฏิบัติธรรมได้เจริญสติรู้กายในกายรู้เวทนาบ้างเห็นความคิดตัวเองบ้างหรืออย่างน้อก็คือมันตื่นนะจิตตื่นอย่างหลายหลายคนนะเคยปฏิบัติธรรมมาทาความเปลี่ยนไปมันจะได้อารมณ์จิตมันตื่นปุ๊บันแจ่มแจ้งสว่างขึ้นมาโล่งอะทีเดียวนะอา้าวแสดงว่าโผล่คุมาหน่อยนึงโอ้ไม่มีความคิดเป็นแบบนี้นะ ความคิดมันหายไปเป็นแบบนี้มันโลกมันโปล่เนี่ยเป็นแบบนี้เนาะจิตเนาะนี่นะเนี่ยเขาเรียกว่าโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งคือมันลงไปถึงดินแล้วมันยันขึ้นมานหละกระแทกเท้าหายใจหายขึ้นมาแล้วมันจมวุ้บลงไปอีกจมแล้วก็ไม่ขึ้นโผล่ขึ้นอีกเลยคือแค่อารมณ์แล้วก็ไม่ปฏิบัติสักทีจนตายเนี่ยหลายคนก็ปฏิบัติอยู่แต่ว่า ย, ยังไม่เห็นอีกสักทีว่าหนูเนะี่ยตั้งแต่เห็นแต่ชาติที่แล้วนะปฏิบัติทำ เปนวันนี่ก็ยังไม่มีอีกกอได้อารมณ์บ้างแต่มันก็หายไปเนี่ยประเภทที่สองนะเนี่ยประเภทหนึ่งคือจมลงไปในความคิดเลยไม่เกิดสัทีเลยบางคนเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็จมไปจมอยู่ในความคิดตลอดความคิดความปรุงความแต่งความโลภกุหลงไม่มีช่องว่างให้จิตได้หายใจเลยเนี่ยวันหนึ่งหนงนี่ยมีแต่ตอนนอนไม่แต่ตอนนอนก็ยังคิดมากเลย ยังกลายเป็นความฝันเลยนะบางคนติดกินกับฝันกับเขี้ยวอรอร่อยอยู่นั่นแหลนะแต่บางคนก็ฝันลามกไปนะบางคนก็ฝันถูกเลขถูกหวยถูกบัดถูกเบอร์ไปตามเรื่องบางคนสร้างจังหวะยังฝันเลยยกมือขึ้นนี่นะมันเคลิ้มไบางนะีมียายคนหนึ่งนั่งสร้างจังหวะนะงตาเดินไปค่เห็นแต่แกเอามือยื่นอะไร แต่แกหลับอยู่แต่ถามเอ้าโยมจะทาอะไรแกตกใจเอ้านึกว่าเอาวิทยุมาให้ <c oughs> แกเคยฟังบลําฟังเพลงฟังอะไรไม่รู้ขงแกนะเอาวิทยุอะไรเหรอจะมีอะไรโอ้โยมฝันเนี่ยฝันว่าเอาวิทยุมาให้ขณะนั่งสร้างจังหวะนะยังฝันเลยเนะี่ยฝันกลางวันพิทีสามนะพิะทีสามยันขึ้นมาได้แต่ก็ยัง ทุลักทุลีเนะ่ยหายใจได้บ้างนะฮะหายใจไปแล้วมันป้อมๆ อ, อ, อยู่วันระหว่างน้ําี่เป็นแบบเนี้นะคือได้หายใจบ้างไม่ถึงกับจมลงไปเนะี่ยหายใจได้บ้างนเหมือนคนที่ชอบไปทําบุญดาทานบ้างอะไรบ้างหรือคนอฝึกสติเลลึกอยู่บ้างเวลามันทุกข์ก็าทาเวลามันไม่ทุกข์ก็ไม่ทําอะไรประมาณนั้นนะไอ้พวกนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นอริยบุคคลนะพวกเนี้ย คือพวกที่ได้อารมณ์บ้างคือประคองตัวอยู่ได้ประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งโผล่ขึ้นมาประเภทที่สองนี่โผล่ขึ้นมาแต่ก็จมลงไปอีกเวทีท่สามนี่โผล่ขึ้นมาแล้วก็ยังอยู่แต่พวกหนึ่งก็คือตกลงมาแล้วก็จมอยู่เลยแต่พวกหนึ่งโผล่ขึ้นมาแจมลงอีกแต่พวกหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วประคองอยู่ได้แต่ยังไม่เห็นอะไรอ่ะมันมองไม่เห็นเลยเหมือนมีสมาธิพวกนี้มีสมาธิ อย่างเหมือนพรามเหมือนพรมเนี่ยปฏิบัติรมแล้วมันจะมีสมาธิจิตมันถึงนิ่ ง, งๆเฉยๆแต่มันไม่เข้าไปในความคิดนะแต่มันก็ติดพบก็ติดความสงบเนี่ยนะมันติดความสงบนอกจากความสงบไม่ได้แต่มันก็สงบนะมันไม่เข้าไปในความโลภความโกรธเท่าไหร่แต่มันก็ยังหลงอยู่อะหลงอยู่ในอัตตาตัวเนี้ยอัตตาที่มันเป็นตัวเป็นตนในความสงบ ประเภทหนึ่งเนะ่ะโผล่ขึ้นมาปุ๊บปรเวทที่เทเล่นเนี่ยสี่เนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วประคองตัวเองแต่สามารถลืมตาได้เริ่มมองเฮ้ยกูจะไปทางไหนเนี่ยมันเริ่มหาทางเอาตัวรอดเนะ่ะมองก็หาฝั่งซ้ายฝั่งขวาไนดะ้อยู่ทางไหนวะพอเห็นเนี่ยบบนเนี่ยพระโวดาวบันนี่คือผูเห็นนะโอ้ฝั่งอยู่นู่นนะ่ะประตูอยู่น่น่ะออกทางน่นนะเริ่มเห็นนะ่ะมันจะออกไปทางนั้นเนะ่ะ แต่ถ้าโผล่ไปหายใจเฉยๆเนี่ยแต่มันยังไม่เห็นฝั่งทางออกเนี่ยยังไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยที่โผล่เข้าไปแล้วมองเห็นเนี่ยโอ้การดับทุกข์ไปหนีนะการพ้นทุกข์ไปหนีนะการออกจากทุกข์ไปหนีทางไปหาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเขเริ่มเห็นทันทีอ่ะแต่พวกติดในสมาธิมันยังไม่เห็นนะแต่พวกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันจะเห็นนะ คือมันสามารถทำลายความโกรธความหงุดความมือดัมมดในระดับหนึ่งคือมันปล่อยวางระดับหนึ่งอะสติสัมปชัญญะนี่ยมันตื่นตัวมันชัดเจนขึ้นมานะ่ะรู้ทันทีว่าทำยังไงทุกที่ที่ผ่านมาเนี่ยที่เกิดจากการติดอารมณ์เนี่ยมันออกได้ยังไงเข้าใจขั้นตอนของมันเลยว่าออกอย่างเงี้ยแล้วมันเห็นเลย แล้วใจที่มันสะอาดสว่างสงบมันเห็นชัดมันมองเข้ามาในใจโอ้ใจเป็นนี้นะใจที่ไม่ทุกเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราทำอย่างนี้นี่มันจะไม่ทุกแน่แน่นะแต่มันเข้าถึงไม่ได้เพราะว่าถ้าเผลอนะ่ะมันก็จะหลุดเผลอหน่อยก็มันจะหายไปอนะ่ะเขาจะประคองอยู่เขามองเห็นได้ดีว่าเออนิพพานะอยู่ตรงนั้นน่ะ น, นะมองเห็นเลยนะพระโสดาบันเนี่ยแปลว่าจิตผู้มีจิตตกกระแสโสตะแปลว่ากระแส จิตตักระแสคือกระแสคลื่นกระแสของน้ำพุนิพานพอขึ้นไปอย่างนี้แล้วมันจะเห็นนะดิมองเห็นนะดิเห็นจิตที่มันมันสา ว, ว่างสะอาดสงบมันเป็นยังไงอ่ะมันมองเห็นคือคนได้ดวงตาเห็นทำเยธรรมมาเฮตุปภวานิพานนะรทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุคือเห็นเน่ยมองเห็นทีนี้ก็จะไปหาเนี่ยมองออกทันทีเลยว่าจะไปหายังไงเขาคิดว่ามองเห็นพระพุทธเจ้าแล้วว่าจะไปหาพระพุทธเจ้าหาพุท ธ, ธะตนนี้ จะไปหาได้ยังไงเนี่ยมันนึกออกมันเข้าใจมันแจ่มแจ้งนั้นพระสักิทาคามีเนี่ยสักิทาคามีก็คือคนที่ไหวหละที่เนี่ยไหวพอเห็นแล้วไหว้ขยันไหว้ละ่ะตะเกียร ต, ตะกายเข้าหาฝั่งละ่ะจะไปให้มันถึงนั้นคนได้ดวงตาเห็นดาเห็นทางไปหาผู้ที่เยา่เสร็จแล้วคือมัน มันรู้ธรรมะแล้วเนี่ยคือรู้ธรรมชาติของจิตเป็นแบบไหนแล้วเนี่ยแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะพยายามทําเพื่อจะหานหี่เข้าไปหานี่ได้ก็จะไหว้เข้าไปไหว้เข้าไปไหว้เข้าไ ป, า เ, าไปเมื่อออกแรงไหว้เป็นสกิทาคามีทีพอไหว้หนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าไหว้ก็ต้องมีลีลานะ ไม่ใช่แบบเอาเป็นแนวตายนะเอาเป็นอะไจมน้ําตายเหมือนเดิมนะคือติดอารมณ์อนะติดวิปัสสนูติดวิปลาสติดอะไรเนะพราะเขาไปถึงฝั่งที่ตื้นๆเนี่ยนะเป็นอนาคามีพระอนาคามีก็อยู่ประมาณเนี้ยน้นํานักแข่งเนี่ยหลังเท้านี่ยจิตเราจะเป็นสบายทีนี้พระอนาคามีคือเป็นแบบนั้นแล้วสบายเลยนะอารมณ์แบบโรกๆนี่ไม่ได้กินแหละแบบสบาย มันไม่ทุกแล้วนั้นเธอทั้งหลายปฏิบัติทมนี่การได้ดวงตาเห็นทนํนี่สองสาวันนี้ทาได้ถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยแต่นิมิตหมายมันคือขยันแหละขยันแล้วตั้งใจเลยลึกรู้เนี่ยประมาณวันที่สามที่สี่เนี่ยคนจะรู้รูปนามได้ส่วนจะให้มันต่อเนื่องแลอจะให้มันแจ่มแจ้งก็คือห้าหกเจ็ดเนี่ยประมาณนี้ประคองนี่มันจะชัดเจน แต่คนที่มีอินทรีย์แก่กล้าหน่อยก็อวันสองวันก็จะรู้อาการนั้นเนี่ยพอแต่ให้ทําทําตัวสติให้มันต่อเนื่องอย่าไปสนใจอะไรที่มาทําเนี่ยเพราะว่าแต่ละคนนี่มันให้อะไรกันไม่ได้ต่างคนต่างทําเรามาด้วยกันก็จริงอ่ะแต่เวลาทําเราแก่เราเจ็บเราตายเนี่ยสติของเราเองนะคนมาเยี่ยมไม่เหมือนกับสติเราเฝ้าใข้ตัวเองนะ ตัวสุดท้ายพระนาคามีนี่มันปฏิบัติง่ายมันเดินเข้าหาฝั่งเลยแบบง่ายๆสร้างจางหวะดีๆไหว้เข้าไปอันนี้เวียนไหวนะ้อันนี้ไม่ได้เวียนนะนี่ไหว้เข้าไปหาฝั่งแต่นั้นเวียนไหวยในสังสารวัฏเจ้าคนละพอเดินไม่ได้ไหว้นะพระนาคามีเขาไม่ไหว้นะ เดินเอานะเดินขึ้นฝั่งไปเดินเข้ามาขึ้นฝั่งพอขึ้นฝั่งปุ๊บก็ยืนอยู่บนฝั่งแล้วยี่ยมดูไอ้พวกง่วงเง า, ง า, งาพวกสัตวน์นรกทั้งหลายนี่อันนั้นคือประเภทไหนฮะพวกที่ขึ้นฝั่งไปแล้วเนี่ยจนมาถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําจงละความเสียเป็นผู้ไม่มีความกังวลจงยินดีเฉพาะต่อพระนิพพาน ยินแดนพระนิพพานคืออันนั้นเน่ยอันเป็นที่ส ง, งัดซึ่งสัตว์สัตว์มนุษย์เนี่ยจะยินดีได้โดยยากมันยากนะที่จะเข้าถึงอันนั้นเพราะสัตว์มนุษย์ทั้งหลายจะชอบอยู่กับสิ่งเหล่านี้อยู่กับอารมณ์มันจมอยู่กับสิ่งนี้มันชอบอันนั้นมันไม่อยากขึ้นไปข้างบนนะฮะมันปลานี่ยแหละมันชอบอยู่ในน้ำนะจะ เอาไปแล่เนื้อแล้วปิ้งอยู่บนเข่งมันไม่อยากขึ้นไปอยู่บนเข่ง <c oughs> นะมันอยากจมอยู่ในนั่นนะเราลองดูทิ <c oughs> ลองตายจากความเป็นคนที่ทุกทุกนี้ไปเป็นเทวดาดูดิ <c oughs> ตายจากภพนี้ชาตินี้ไปเป็นอริยะดูดิจิตเนี่ย <c oughs> ยอมยอมทุกดูดิยอมฆ่าตัวเองดูดิไอ <c oughs> ที่เดินเจ้กรมปฏิบัติทําเพื่อฆ่าตัวเอง <c oughs> เพื่อจะไปเกิดภพใหม่นะเนี่ย <c oughs> ไปเกิดชาติใหม่ภพใหม่เนี่ย ไปอยู่ในพบภูมิที่มันสูงพบภูมิที่มันไม่มีปัญหาเดี๋ยวนี้แต่มันเป็นเรื่องของจิตนะลองดูนะเบื่อจะได้ไบเป็นนะลองวัดดูดีจิตเราอยู่ประเภทไหนประเภทเกิดมาแล้วก็จมลงไปในทุกเลยเหรอหรือโผล่ขึ้นได้บ้างแล้วทำโผล่ไปแล้วก็พอจะรู้จักไนะพยายามหายใจดูซ้ายดูขวาให้ได้ถ้าดูซ้ายดูขวาได้ก็พยายามไหว้ไปให้ได้ ตะเกียรตะกายเพราะอายุมันเยอะแล้วพวกเราเนี่ยอายุมากแล้วอย่าไปท่อถอยชีวิตนี้ทําให้มันได้ว่ายเขไปอยู่ในเนะอย่างนั้นก็อยู่ในที่ตื้นๆน้นําเพียงหลังเท้าเนี่ยนะตื้นๆหน่อยสบายความโลภความโกรธความลหลงรูพระทูตสาระขตันหาไม่เหยียบย่ําละใจสบายละนับภาษาอะไรไปอยู่ทําการทํางานไม่มีปัญหากับชีวิตเราน่ะนะนะ พอเราเข้าใจชีวิตเราแล้วเข้าใจรูปเข้าใจนามรูปโลกนามทกรูธรรมนามธรรมรู้จักอนิจจังรู้จักทุกขังอนันตารู้จักสมมติรู้จักปรมัตละจิตมันปล่อยวางเป็นเนี่ยโอ้แค่นั้นเองตัวอย่างก็แค่นั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นแค่นนั้นเองมันเป็นแค่นนั้นเองคือหมายว่าสภาวะจิตมันต้องเข้าใจเรื่องของอนันตาระดับหนึ่งนะมันไม่มีตัวตนระดับหนึ่งอะไรเกิดขึ้นโอ้แค่นนั้นเองพร้อมกับการดับไปนะวร้อมกับารดับไปดับไปดับไป มันยังเป็นเท่นั่นเองของมันได้แล้วพบนี้ชาตนินี้ที่เราเกิดมาเนี่ยหวังได้เลยนะว่าพระนิพพานเนี่ยอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่ละคนเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงธรรมะนั้นได้หมดนะแม้แต่ไอตัวที่มันหลับๆอยู่นี้ด้วยนะถ้าตั้งใจทำฝืนทำเนี่ยมันต้องได้ ถ้าคนม่วงเนี่ยค่าตัวถ้าจะเทนให้เนี่ยคิดแพงอันนี้ถ้าหลับหลับเนี่ยถ้างนั้นมันก็ไม่ได้เนาะต้องตามยิกหูมาตลอดเวลามันจะได้อยู่ตื่นตาตื่นใจในะญาโยมตอนนี้สว่างแล้วรืหกโมงเจ็ดโมงหิวหรือยังกินข้าวกินน้ำก็เอาพอดีนะแล้วก็ไปไหว้ต่อไปไหว้ไหว้ออกจากสังสารวัตรไหว้เวียนออกจากทุก อย่าจมลงไปในทุกข์พยายามอดพยายามทนชีวิตเนี่ยออกจากสังสาระให้ได้นะจากวัฏ ต, ตะไปสู่วิวัฏฏะจากมุตไปสู่วิมุตต์ให้ได้นะจากโลกียะไปสู่โลกุตตะให้ได้นะจากสมมุตนะิน่ยไปสู่วิมุตต์จากทุกข์ไปสู่การพ้นทุกข์ให้ได้อนุโมทนานะเจ้านี่ ไหว้เท่าน <c ười>